ท่านสาสดาหลายตอนนี้ก็พูดกันถึงเรื่องสมเด็จโอมาถมซ้ำคราซ้ซากับคําว่าสมเอ็จโอมาถมก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์แรกหรือองค์ที่หนึ่งเรียกว่าปฐม <c oughs> <c oughs> การที่จะรอรูปสมเด็จโอมาถม <c oughs> ก็มีอยู่ว่ามีในแพทย์จรูน เคยปรารบว่าหลวงพ่อเคยปรารบเรื่องที่เป็นองค์ถงอยู่เสมอทำไมจะไม่หล่อโลกยิงคิดตั้งใจจะหล่อโลกสั้งขึ้นมา <c oughs> ขอเล่าย้อนตอนหลังสัก น, นิดหนึ่งคือเมื่อประมาณพศออ .2513 จะไม่ได้แน่นอนอาจจะผิดก็ได้พศอ ตอนนั้นอาตมามอยู่วัดท่าสงแล้ว <c oughs> แล้วพลอากาศเอกอทธรโรจนพิพัฒเวลานั้นเป็นนาวาอากาศเอกเป็นผู้บังคับกองฝึกกองโรงเ ร, รียนการบินที่นครราชสีมาทร <c oughs> าบว่าอาตมาป่วยก็นิ ม, มนต์ไปพักที่นั่นตอนกลางคืนสามีพัญญา ก็ต้องจะเจริญกรรมฐานอาตมาเป็นคนแนะนำขณะที่แนะนำเขาอยู่เมื่อเสร็จแล้วก็ทำสมาธิขณะที่ทำสมาธิปรัรดาจนพุทริสัตวสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ปรากฏขึ้นนั่นคือเห็นเป็นพระพุทธเจ้าในปางนิพพานยืนสองแถวยาวเหยียดเป็นหน้า แล้วก็พนมมือยังมีความรู้สึกในใจว่าในบางทีอาจจะเป็นเปอุปาทายของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยก้มทิศให้ใครแม้แต่บ้านเดินเล็กๆที่ลังคาต่ำๆที่พระพุทธเจ้าเข้าไปลังคาก็สูงขึ้นแต่เวลานี้เราเห็นพระพุทธเจ้ายืนพนมมือ ปลาทานคือกิเล็เขากินใจมากเมื่อนึกถึงตรงนี้ก็เห็นภาพหลงพ่อปันปรากฏขึ้นข้างข้างท่านบอกคุณไม่ใช่ปลาทานปลเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอมถมจะเสด็จมาอีกประมาณสักห้านาทีก็ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมากสูงมาก มาในรูปของปางนิพพานเดินมาระหว่างระหว่างช่องกลางพระพุทธเจ้ า, าทุตตโนมมคกงก้มนิสาะรงศรีความเคารพพระบรมมืออยู่แล้วพอท่านเดินมาถึงอตมาท่านก็พูดว่าขคาจะนั่งถหตไหนวะในเมื่อไม่มีที่นั่งข้าก็หัวแกเป็นแท่นก็แล้วกัน เลยนั่งมาโนะท่านกขาบอกว่านับตะวันนี้เป็นต้นไปก่อนที่กายใจเจริญเขาสอนกรรมฐ า, านก็ดีจะพูดธรรมะก็ดีจะเทศก็ดีบอกฉันก่อนฉันได้พูดตอนไหนจะเทศตอนไหนจะว่าตามนั้น <c oughs> ก็เป็นความจริงบรรดาทรามพุทบริษัทเวลาสอนกรรมฐ า, านก็ดี เท่ก็ดีบางทีคิดว่าวันนี้จะพูดเรื่องอย่างนี้แต่พอพูดเข้าจริงๆเรื่องนั้นไม่ไพูดไปพูดอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นดินลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆกองค์การเทศของพระพุทธเจ้ามุ่งเฉพาะบคุคคลสาคัญคนใดคนหนึ่งไม่ได้หวังคนทั่วไป ก็จะนั่งสักพันสองพันห้าพันก็ตามท่านจะจูจิตใจว่าบุคคลใดจะรับคําเทือนทางท่านได้จะสามารถบรรลุผลได้ท่านจะจีจ้จุดเฉพาะคนนั้นเอาจุดเด่นแต่ว่าคนที่มีความดีใกล้เคียงกันก็พลอยบรรลุผลไม่ตาตามกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันอัตมาเวลาเทศท่นนนานสอนกรรมฐาน ก็ไม่เคยได้พูดตามที่คิดไว้สักทีอาจจะเป็นเพราะท่านดนใจใครถามว่าเป็นที่ชื่อใจทุกคนทุกคนไหมท่านก็ขอต่อว่าไม่แน่นัก <c oughs> ไม่แน่นักท่านี้เพราะแล้วก็ว่าท่านอาจจะจี้จุดเฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่คนบางคนอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นี่เป็นเรื่องธรรมดา เกดจึงมาคิดว่าในเมื่อท่านมีพระคุณอย่างนี้แล้วก็เห็นไม่ปกติจีงคิดจะหล่อโลกสังกงขนมาวันหนึ่งจึงรัตนาเมื่อกักรกรมฐานเสร็จแล้วท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆตามความพอใจ <c oughs> เมื่อกลับมาทั้งที่คิดว่าสมเด็จอมภสมจริงๆรูปร่างสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านเป็นยังไง ก็ขอรัตนาขอต้องการพบท่านท่านมาปรากฏพระองค์อินโคตรทรงสวยมากหน้าของท่านอิ่มเหมือนไข่เมืออกไข่แก้มอิ่มยิ้มเล่นน้อยที่มทีปากไม่บุ๋มไม่เหมือนพระพาทธรูปที่เขาปั้นกันพระพุทธรูปที่เขาปั้นกันนี่แก้มตอนตอนตอนปากบุ๋มลงไป ท่นบอกว่ารูปร่างของฉันจริงๆเป็นอย่างนี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ถ้าต่อมาก็เปลี่ยนรูปถ้ารูปร่างของฉันในสมัยนิพพานแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนให้ดูถ้าถามว่าถ้าจะปั้นรูปของท่านจะให้ปั้นแบบไหนจะปั้งปั้นแบบนิพพานทั้งแบบเป็นมนุษย์ถ้าบอกว่าปั้นอย่างนี้ก็แล้วกัน ล้วท่านก็นั่งทำภาพให้ดูเป็นเหมือนพระพุทธรูปปั้นแล้วก็มีเรือนแก้วสมพุทธิาชท่านให้ดูตัวรูปจริงๆที่ให้ปั้นไม่เหมือนกับรูปจริงคือไม่เหมือนกรับรูปที่เป็นมนุษย์และก็ไม่เหมือนกรับรูปที่นิพพานแต่ว่าเป็นรูปที่ท่านต้องการ ท่านม า, าแสดงแบบนั้นอยู่ทั้งสามวันติดกันมานั่งให้เห็นประมาณวันประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ดูตัวละเอียดแล้คิดในใจว่าเราเป็นคนเห็นแต่ช่างเขาไม่ได้เห็นาอาจจะปั้นไม่เหมือนก็ได้จึงขอบารมีของท่านบอกว่าเวลาที่ช่างเขาปั้นขอได้เปิดไปดนใจเป็นไปตามพระพุทธประสงค์ ท่าก็ยอมรับจึงได้สั่งให้นายพระเสกแก้วมณีปั้นรูปที่พึ่งขึ้นแล้วก็บอกว่าบอกลักษณะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าในที่สุดมันก็ปั้นเสร็จก็ไม่ดูเหมือนกับรูปที่ท่านแสดงจริงๆนี่ก็ปเป็นเรื่องอัศจารย์แต่ว่านายพระเสกคนนี้ก็จะเกปกรรมฐานมโนทิิมโนทิติได้ แกก็ทําอะไรตามคตามตามกําลังใจที่แกได้มาแล้วอาจะมาก็บอกว่าก่อนจะปั้นให้จุดโทษจุดเชิงก่อนอรัตนาวารีเขาได้ก่อนขอยท่านดนใจให้มือทําตามไปที่ท่านต้องการ <c oughs> ความจริงก็เป็นอย่างนั้นท่ <c oughs> นนี้ก็มานั่งนึกอีกทีว่าเรามีพระพุทธโูปทุกองค์ ในสถานที่สําคัญเราก็บรรจุพระองคมหาดีทีกราธาตุแต่พระองค์มหาดีกระาธาตุโดยมากเป็นพระองค์ปัจจุบันสําหรับพระอรค์มหาดีกระาธาตุพระองค์ปฐมเราจหาได้ที่ไหนกําลังใจก็นั่งนึกคิดว่าเราทํำยังไงจึงจะได้พระอรคมหาดีกระาธาตุพระองค์สนในองคปฐม เมื่อคิดว่าเวลาการนานมาแล้วพรษษาะองศาฤทราชย่อมหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เอาขององบจักรบัลบรรจุก็ถือว่าเป็นคนขั้นตอนเป็นคนละองค์ต่อมาเมื่อขณะที่ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบก่อนจะนอนมันก็ไป ได้การไปในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการทัศนาจรไปเมืองสวรรค์ก็ดีมันรบก็ดีพระก็ดีมันเบื่อเต็มที่แล้วจืดเวลานี้ไม่ไปไหนที่ไปจุดแรกคือเทวสภา <c oughs> ไปที่ตรงนั้นก็ไปไหว้ท่านผู้มีคุณตั้งแต่ชาติก่อนโน้นมาจนชาติปัจจุบัน ที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นผู้มีคุณบ้างเป็นบิดามันดาบ้างเป็นต้นไหว้ท่านแล้วท่านก็แนะนําบางอย่างที่ทําถูกบ้างผิดบ้างที่ไหนถูกท่านก็อบอกว่าถูกที่ผิดท่านก็แก้ไขก็เป็นว่าไปอย่างนี้ทุกคืนหลังจากนั้นก็เข้าวัดจุฬามุนีเจรียสถาน ไปนรมาตการพระเจ้าท <necessary. S 2> <Spain. S 1> mm ี hmm. yep. ่นั่นถ้าหันมีเยอะก็ไหวทันอ่อจากพระธยุรามณีเจีิญสถานแล้วก็ไปนิพพานไปวิมายขององค์สมเด็จพระถสมขอโทษองปัจจุบันก่อนพระสมณครดมนรมาตรการท่านเสร็จถ้ามีอะไรที่ท่านจะบอกท่านก็บอกถ้าไม่มีอะไรที่ท่านไม่บอกท่านก็เฉย ก็นั่งเปบัลลังก์ด้วยความชื่นใจหลังจากนั้นท่านก็สั่งให้ไปิมายของเธอในเมื่อไปามายก็จมาเองในที่นั้นจะพบพระอรหันต์มากจะมีพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์มีองค์มโหสถเป็นประธานทรงให้โอวาตอยู่ทุกวันเตือนทุกวันมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรควรทามีอะไรควรพูด ถ้าจะแนะนำก็เมื่อกลับมาแล้วก็นอนคิดว่าเราจะนอนให้หลับพรกํกาลังจิตจะเริ่มเคมลิมก็รียินเสียงว่าพราะอรมิมสาดีก็ท่าท้องได้ดอุปถมเอามาให้แล้วนะวางไว้ที่ะตลับบนเตียงข้างๆหัวนอน ยินเสียงชัดเจนแจ่มใสามากเหมือนเสียงองค์ปัจจุบันจึงลุกขึ้นมาเปิดไฟฟ้าปรากฏว่าที่ตรงนั้นไม่เคยวางตลับมีแต่วางหนังสือสลับดู <c oughs> คอนหลัก <c oughs> ก็มีตลับพลาสติกแบบปัจจุบันอยู่ลุงไปเปิดดูเห็นว่ารมปสารีราตน์องค์โตสององค์ ก็ดีใจว่าเเป็นของโอทมแน่เพราะเราไม่เคยวางไว้ <c oughs> ก็เก็บไว้ที่ส ก, การะบูชาเอาไว้เป็นสุท่านและต้นเหตุอย่างนี้นะถ้า ต, ต่อมาท่านก็บอกว่าจะทำันดกฉันที่ไหนก็ถามท่านว่าสถานที่ไม่มีแล้วด้านหน้าวัดเต็มไปหมด ที่้องเห็นได้ไม่มีมีแต่หลังวัดหลังวัดก็ไม่สมค <c oughs> แต่ก็บอกว่ามีที่สำคัญอยู่ที่หนึ่งตอนนั้นก็เวลานั้นก็นังปอยมากก็พยายามให้พระขับรถไปไปดูสถานที่ค่อยๆลงจากรถเดินมันก็จะล้มแต่ญาติโยมพระทศกัณฐ์ไม่มีใครเข้าใจ พอเวลารับแขกเข็นท่าทางพูดท่าทางแข็งแรงนั้นความจริงไม่ใช่เป็นกําลังพระท่านช่วยหลังจะรับแขกแล้วก็ป่วยให้เจียนลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวไนี่เป็นอำนาจพุะฐานุภาพให้สถ <c oughs> านที่ตรงนั้นท่านบอกว่าเอาตรงนี้สถานที่ตรงนั้นมีความสำคัญท่านบมีพระรงค์ศาสดาธาตุสําคัญมาก แต่ความจริงก็เป็นความจริงมีคนเห็นอยู่เสมอว่ามีดาวดวงใหญ่ขึ้นจากพื้นพืนพื้ น, นดินตรงนั้นมีแสงสว่างมากลอยไปเหนือนยอดไม้น้อยๆวนไปวนมาในวัดแล้วกลับที่เดิมมีคราวหนึ่งมีพันธีพงเทพเทอ่มาอยู่เพื่อน เธอเห็นเข้าคือเธอก็นั่งรถกวดว่าดาวดวนี้จะลอยไปไหนเธอก็วิ่งตามไปวนไปวนมาอยู่พักก็กลับที่เดิมเธอก็มาบอกว่าเมื่อคืนนี้แปลกเห็นดวงดาวขึ้นจากแผ่นดินก็แล้วบอกว่านั่นไม่ใช่ดวงดาวไป็นเพราะองศาธิาราชท้านสร้างมณฑปตนนั้นจึงสั่งลงชิดเจ้าแดงเป็นนายช่างทําการก่อสร้าง โดยเฉพาะเรือนแก้วบรรดาทางพุทธบริษัทองค์วัมสร้างหน้าตาักสี่เสาเป็นพระหล่อตัวดีประหะแล้วก็ผสมทองคำเจ้าเพาะเพชรที่ประดับเรือนแก้วหรือว่าผ้าทิพย์เทาที่ท่านเห็นมีราคาเจ็ดแสนเจ็ดหมืนบาทเศษ ถ้าความจริงไม่ใช่เพชรจ ร, จริงๆนะอย่าขโมยไปนะถ้าแกะมาหนึ่งมิตรราคาเต็มของเขาจะประมาณสิบสองหรือสิบสามบาทเท่านั้นเองตอนนี้ซื้อมากคนประ ด, ดับเป็นแก้วหอยสวยเพราะว่าคนใกล้จะตายเพื่อจตมาเองใกล้จะตายอายุครบอายุไขแล้วครบอายุไขก็เป็นอายุที่ควรตายก็ทำทิ้งทน แล้วก็มีคนช่วยมากมีคนมีใครบ้างจะไปขอบัญชีเือมาดูถ้าเขาคัดไว้ก็จะมาพิมพ์ท้ายหนังสือมีคนโทรสมสักกับคณะช่วยมาหนึ่งล้านบาทที่จำได้นะนอก้านมีใครบ้างก็ไม่ทราบมันเยอะอาาอาาแยะโอปปหงโอปมหงช่วยกันมากสำหรับพื้น ที่แรกคิดว่าจะใช้กลีนิ ก, กอะไรไมทสาบมันสวยๆแต่ว่าพระท่านบอกว่ามันแข็งมากต้องสั่งเขาตัดให้พอดีเกยนและล้มความตั้งใจกพอพอดีพันโทนายแพทย์นกพรกินสุภาพรในคณะชาจังหวัดจัน่าการจนบุรี คนโทรในพวทในแพทย์ทพรนี่เป็นผู้ครบรับการเสนารักษณ์ขงพนที่เก้าสนใจเรื่องบุญกุศลมากได้ทำตาดำตาขาวของพระพรธตูปหป้าจากสี่นิ้วมาถวายประมาณหกร้อยหกร้อยคููเศษได้นำนินก้อนเล็กๆนำมาบอยทำพื้น เคยตัดสินใจว่าในเมื่อมีผู้ศรัทธานํำนินมาให้จังตึงตันกว่าเราก็ไม่ควรใช่อย่างอื่นใช้ขัดพื้นด้วยนินแทนที่จะเป็นหินขัดหรือว่าจะเป็นอ่าเป็นหิ น, หออ น, อ น, หนอ่อนจะเป็นคลีนิกไม่เป็นแล้วใช้นินเป็นพื้นหรเป็นเป็นพื้ น, น, น, นขัด ถ้านินไม่พอจริงๆเอาอื่นผสมนี่รู้ความว่าความสําคัญนั่นในการสร้างอมตะคือว่าคนไม่เคยคิดก็อาจจะคิดบ้างก็ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความลําบากมากคือองค์ต้นเพราะไม่เคยมีพระเจ้าเป็นครูมาก่อนต้องลําบกลําบา ก, บ, กบุกมา ทั้งทงที่ไม่มีแบบเป็นเหตุดลใจให้ตั้งใจที่จะเป็นพระเจ้าต้องใช้เวลาถึงสามสิบประสงค์ไกลับเศษยิงจะได้รู้ว่ารู้อภิเศษสมาธิโพธิญาณถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงก็ตอบว่าถามท่านที่นักคนฟังและคนอ่านยิ่คิดไหมว่า พูดอย่างนี้เป็นคนบ้าหรือคนดีบางท่านจะบอกว่าพระพุทธเจ้าที่ผานแล้วมีสภาพศูนย์จะไปคุก็ได้ยังไงก็ต้องขอตอบว่าก็ต้องเป็นคนศูนย์เหมือนกันเมื่อท่านศูนย์ไปแล้วแล้วก็ศูนย์บ้างถ้าศูนย์ต่อศูนย์พบกันก็เป็นสองศูนย์ ศูนย์ก็มีสภาพคลมเหมือนกันแต่โตเล็กกว่ากันเท่านั้นเมื่อศูนย์ต่อศูนย์คุยกันก็รู้เรื่องกันถ้าท่านศูนย์เรายังไม่ศูนย์เขาก็คุยกับท่านไม่ได้โครมความว่าอาตมา ก, ก็เป็นคนศูนย์เพราะหนึ่งศูนย์จะความเป็นหนมสองศูนย์จะความเป็นคนปกติมีการปวดไข้ไม่สบายเป็นปกติ ถ้าก็สามสูญจากความเป็นคนที่คิดว่าไม่สูญนั่นคือความหวังมีอย่างเดียวคิดว่าเราจะต้องตายเวลานี้อายุเจ็ดสิบห้าปีตามไ ป, ไปสุธิเป็นอายุไขควรตายแล้วไหนไหนจะตายก็ทำทิ้งทนจะพระองค์ประถมราคาเท่าไหร่ไม่ทราบ เฉพาะเพชรที่ประดับ 770,000 เซนเอาเตร์กะ บ, บนดบทั้งหมดก็จะบกกุกแก้วอีแก้วทั้งข้านอกข้างในให้คล้ายๆกับวิมัยของท่านทำแบบคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนเพราะวิมายของท่านสวยมาก <c oughs> นีจะถามว่ารู้ได้ยังไง ก็ตอบตามได้ว่าคนศูนย์นี่มันก็รู้อย่างศูนย์ศูนย์นี่ก็บอกว่านิพานมีสภาพศูนย์อาจจะมาขอย้อนว่านิพานมีสภาพไม่ศูนย์นิพานจะศูนย์มาจากความชั่วจะทรงไว้แต่ความดีก็หากจะมีคนคล้ายๆว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องของท่าน ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างมีความเห็นจะให้เหมือนกันไม่ได้ถ้าหาว่าจี่พากมีสภาพสนจริ ง, รงๆทําไมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิงกล่าวอ้างยิงพระเจ้าอนั้นพระเจ้าองค์นี้ยังคําว่าสัพพปา ป, าปากกะชะกันนังท่านอนหลายจงอยาทําความชั่วทุกอย่างสองกเจสุเจสุสมัติ ต้องทาแต่ความดีสามสติตะประโยชน์ปัญังต้องทำจิตใจผ่องใสใจใกิเลสเอตังหุทธานาสาสนางังพระพุทธเจ้าทุกอง์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดพระเจ้าธนุได้ยังไงถ้านิพพานมีสภาพสูญพระเจ้าจะทําไมจะรู้พระเจ้าทุกองตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดก็แสดงว่านิพพานมีสภาพไม่สูญเฉพาะของคนไม่สูญ นิพพานมีสภาพศูนญเฉพาะของคนศูนญจากนิพพานกรมกวามบรรดาทางพุทธวบริษัททั้งหลาย <c oughs> การหล่อโลภออมตินี้บรรดาญาติโยมพุะตบริษัทนำทองมาถวายกันมากเป็นกรณีพิเศษถ้าการหล่อโลภนี้ก็จะหล่อวันที่สิบห้ามีนาคมสองพหรอยสห้า มีสมเด็จพระตโอษอาจารย์วสัมมญาเป็นประธานจับสายสินในการหลอ่อความจริงแล้วพ่อสเด็พระตโอษอาจารย์นี่บางท่านอาจจะไม่รู้บางท่านเป็นพระสูตรเหมือนกันคือสูตรจากการยดึยดตัวยดึยดยดึดรานนาศั ท่านเป็นสมเด็จท่านไม่เคยแสดงความพระองค์องค์ไปเป็นสมเด็จเลยไม่เคยถือเนื้อถือตัวถือไปกันเองทุกอย่างกับทุกคนนี่ไปหาไม่มีมณฑิทิและมีความเข้าใจเรื่องของคนมีความเข้าใจเรื่องเข้ใจคนยัง คุณพนโทสมศักดิ์สืบสงวนพนุโ ท, โทนะเคยไปกับหมอรัตดาไปหาท่านท่านจะวัดอยูบ่บงกุติแล้วก็ทั้งสองคนก็ไปคอยเมื่อถึงเวลาไม่ลงมาท่านไม่ลงมาทั้งสองคนก็บอกว่าในเมื่อท่านจะวัดแล้วก็กลับเถิดคนเบาๆเท่านั้นเสียงก็แหลมเปิดประตูหน้าต่าง ถ้าท่านกรลงมาอาตมาเคยปรึกษากับมหาวิจิตเรื่องกา่ทําบุญวันเกิดของท่านปรึกษากันที่ซอยใสายลมว่าเราคิดจะทําอย่างนี้ให้ไปกราบเรียนให้ท่านทราบเพราะว่าอันไหนท่านตัดเราก็ตัดตามท่านอันไหนเราให้เติมเราก็เติมตามท่าน แลเสร็จแล้วก็ไปหาท่านท่านนั่งรอรับอยู่ท่านยังไม่เชื่งกุฏิเมื่อกราบประเินหน้าขึ้นมาท่านก็บอกว่าปีหน้าจะทำอะไรก็บอกนะทำตามทุกอย่างแหละนั่นคุยกันนี่สอยสายลมถ้าท่านอยู่ทีงวัดสามัญญาทำไมจึงรู้ก็เป็นว่าสมเด็จพระตัโวส า, าจารย์นี่มีความสำคัญมาก เป็นประธานการหล่อพระคราวไรไม่เคยเสียข้าวหนึ่งลมแรงจัดช่างแปลว่าถ้าลมแรงแบบนี้การเททอนลำบากยังไงไงพระต้องเสียแน่ต้องมีเว้ามีโบมีแวง่งแต่เธอก็พยายามทำไปด้วยความลำบากจนเสร็จตอนเช้าตรู่ช่างในสมเป็จพระโคศจานทร์สัสาจเสศีนะ ตอนเช้าตู่ช่างรีบไปทุบหุ่นไม่อยากคนอืน่นเห็นคิดว่าถ้าเสียก็รีบเก็บเจอที่ไหนได้บรรดาธรรมพุตรสัตว์พระทุกอง์เรียบร้อยเกือบไม่ต้องแต่งช่างดีใจทุนดาไหลที่ขอท่านหลา ย, ยังมีความเข้าใจว่าพระชดชพระคุโกจาจารย์สมบัติยาเป็นพระที่มีสภาพสวนเช่นเดียวกันอาณาบรรดาบรรพุทธวัสัว์ทุกท่านการเล่าสู่การฟังก็แค่นี้ขอจบเพราะเวลาหมด ได้กี่นาทีหรือประมาณครึ่ง น, นาทีนะขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาพุทธเจ้าพุทธศาสนิชนผู้รับฟังก็าตามผู้อ่านก็าตามจะมีแต่ความสุขปรารถนาสมหวังรวยตลอดชาติทั้งชาตินี้แต่ชาติหน้าถ้าใครต้องการหวังนิพพานให้ได้นิพพานท้องความปรารถนาใครไม่อยากไปนิพพานก็ขอให้รวยตลอดทุกชาติสอดดี